ปัญหาข้อที่8อธิบายและตอบปัญหาเรื่องการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตสำหรับบทนี้เนื้อหายาวมากและประกอบด้วยเรื่องย่อยจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังทางจิตเช่นโรคทุกอย่างสัมพันธ์กับจิตอย่างไรเรื่องของพลื่นพลังที่แผ่ออกจากคนและวัตถุทุกชนิดแสงที่เห็นในสมาธิคือแสงจากอะไรการรู้สาเหตุของโรคด้วยอานาจจิตแล้วรู้ว่าจะหายหรือไม่หาย การทำนายโรคและภูมิธรรมจากแสงออร่าเหตุดคนเราจะมีโรคภัยแค่เจ็บไม่เหมือนกันกายทิพย์ที่มาของกายเนื้อคืออย่างไรการรักษาที่ดีคือรักษาจิตอย่างไรคนที่จะรักษาคนอื่นทำได้ยากแค่ไหนต้องมีปัจจัยร่วมอย่างไรโอปปาติการักษาและทำร้ายคนบางคนได้อย่างไรเรื่องพลังจิต หมอดูการพยากรณ์การแสดงปาฏิหาริย์การเคลื่อนวัตถุด้วยพลังจิตการส่งกระแสจิตไปรักษาหรือทำร้ายระยะไกลเป็นจริงได้แค่ไหนการสะกดจิตจากโอปปาติกะให้หลับลึกอำนาจจิตกับฤทธิ์ต่างๆหลักสำคัญต้องทำจิตให้ว่างได้อย่างไรพลังของจิตคือตัวการควบคุมความเป็นไปของวัตถุทุกอย่างคืออย่างไร คนป่วยที่ไม่เข้าใจเรื่องพบหน้าส่งผลเสียแค่ไหนหลังตายเอียดให้ระลึกชาติได้ได้หูทิพตตาทิพมีจุดสำคัญต่างกับคนทั่วไปอย่างไรน้ำมนต์คาถาช่วยให้รักษาบางคนได้อย่างไรหนังเหนียวมีจริงไหมเกิดได้อย่างไรดูจากโครงสร้างของวิญญาณแฝงในวัตถุในเซลล์แต่ละเซลล์ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกับการรักษาโรคด้วยยาและพลังจิต การวิเคราะห์โรคด้วยสมาธิขั้นสูงช่วยให้ง่ายต่อการหาวิธีรักษาหรือดูแลตัวเองได้ตรงทางซึ่งแพทย์สมัยโบราณหลายท่านนั้นเป็นผู้มีสมาธิสูงทําให้การวิเคราะห์โรคได้ถึงขั้นวิบากกรรมเก่าเป็นต้นเหตุเน้นแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่หยุดอาการและสร้างตำรับยาด้วยสมุนไพรหลายชนิดได้อย่างน่าอัศจรรย์เคยสงสัยไหมครับว่าตำรับยาบางตัวมีสมุนไพรเป็นร้อยชนิด แต่ละต้นก็เอามาแค่บางส่วนและต้องมีสัสดส่วนพอดีทั้งกรรมวิธีก็ยุ่งยากให้คิดถึงความจริงถ้าจะลองผิดลองถูกทดลองกันจริงต้องใช้เวลายาวนานและยากมากกว่าจะได้ลำรับหนึ่งแต่ถ้าเข้าใจว่าสมาธิขั้นสูงทำให้เห็นคุณสมบัติของพืชและกรรมวิธีการนํามาใช้ได้อย่างไรเรื่องที่ดูว่ายุ่งยากมากก็จะดูว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับซึ่งปัจจุบันก็มีโอกาสได้พบกับแพทย์แผนไทยที่มีอํานาจจิต เพียงมองก็รู้อาการและจ่ายยาได้ตรงโรคอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่ไปหาแพทย์ปัจจุบันต้องตรวจยุ่งยากหลายขั้นตอนมากและต้องทดลองจ่ายยาตามอาการปรับไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่หาอีกต่างหากแถมตับเสื่อมจากการกินยาเคมีสะสมมานานในขณะที่อาการดีขึ้นไม่กี่วันหลังเจอแพทย์แผนไทยที่เก่งจริงและแพทย์ที่ทําได้ขนาดนี้ก็หายากมีโอกาสพบยากพอสมควร ในเรื่องนี้ก็ต้องแยกแยะนะครับว่าการรักษาแผนไทยหรือแผนทางเลือกนั้นอาจทำได้กับบางโรคและบางคนเท่านั้นอีกหลายโรคที่ต้องมีการผ่าตัดหรือการฆ่าเชือ้อการรักษาแผนปัจจุบันย่อมเห็นผลเร็วและได้ผลดีกว่าในที่นี้พูดถึงโรคพื้นฐานทั่วไปที่ยังเป็นไม่มากและหมายถึงในแง่ที่ว่าเมื่อไปรักษาแผนปัจจุบันต้องใช้เวลานานและไม่หายสักทีซึ่งการจะเข้าใจได้ว่า จะใช้แผนปัจจุบันหรือแผนไทยแผนจีนนั้นก็ต้องศึกษาให้เข้าใจพอสมควรจึงจะรู้ว่าควรไปรักษาแบบไหนก่อนนะครับในความเป็นจริงแล้วไม่มีศาสตร์ไหนที่ดีพร้อมสําหรับทุกคนแต่ละคนนั้นย่อมมีความพร้อมกับการรักษาที่แตกต่างกันซึ่งเหตุแห่งการรักษานั้นเบื้องหลังก็คือวิบากกรรมนอกจากที่เคยเจอมืนกับตัวเองนะครับ ก็ยังมีตัวอย่างด็อกเตอร์ท่านหนึ่งรักษาแผนปัจจุบันอยู่หลายปีขยับตัวไม่ได้แต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเกิดจิตผุดรู้ขึ้นว่าอยู่รักษาแบบนี้ต่อไปไม่มีอะไรดีขึ้นแน่จึงขอหมอออกไปรักษาด้วยแพทย์แผนจีนในที่สุดก็หายกลับมาเดินได้และแข็งแรงมากดังนั้นการศึกษาเรื่องการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตหรือพลังทางจิตในบทนี้จึงอาจไม่ได้ไร้สาระหรือเพ้อฝันเกินไป แ, แน่นอนว่าในสายตาผู้มีเคยปฏิบัติธรรมไม่ถึงจุดจริงจะไม่มีทางเชื่อเรื่องพวกนี้ได้โดยง่ายแต่ถ้าเปิดใจรับข้อมูลที่กล้าท้าพิสูจน์ให้มาฝึกจิตให้ชำนาญบางทีการแพทย์ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนชมไปอย่างหน้าตกใจถึงขั้นรักษาโรควินิจัยโรคกันสะดวกไม่เสียเวลารักษาได้ตรงทางและรู้วิธีแก้ไขให้คร บ, บวงจรมากกว่าท่านว่าแม้แต่การคิดค้นเครื่องมือแพทย หรือเทคนิคการรักษาที่ดีกว่าเดิมก็จะรู้แจ้งได้ง่ายและเร็วขึ้นตัวอย่างอีกมากที่รักษาปกติยังไงก็ไม่หายเพราะวิบากกรรมเก่ายังให้ผลถ้าไม่แก้ให้ตรงทางครบด้านก็คงยากจะหายได้จริงการศึกษาเรื่องพลังทางจิตในแบบที่ไม่ขัดแย้งกับหลักกรรมถือว่าเป็นวิทยาศาสต์เช่นกันแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พิสูจน์ทดลองได้ด้วยการฝึกจิต และอาจส่งผลดีกับชีวิตในระยะยาวได้มากกว่าที่คิดแต่ก็ต้องศึกษาให้ถูกทางและนำไปใช้ให้ถูกทมด้วยและการจะได้เจอหมอที่รักษาได้จริงก็เกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่าของเราด้วยบางทีบาปเก่าก็ทำให้คลาดกันหรือไม่ศรัทธาหรือแม้แต่เจอหมอดีก็รักษาหายได้ยากร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาแม้วิธีเดียวกันนั้นจะรักษาคนอื่นหายมาม า, มากต่อมากก็ตาม บางทีก็ตรวจหาสาเหตุไม่เจอจึงต้องแก้ให้ถูกทางให้ครบด้านจริงด้วยเท่านั้นนะครับปัญหาข้อที่8การรักษาโรคด้วยอำนาจจิตในหนังสือการติดต่อวิญญาณตอนหนึ่งหน้าห7บดได้กล่าวถึงว่า ท่านเมฆแดงได้ทำการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งแต่เนื่องจากคนไข้รายนี้เป็นมากแล้วจึงมาให้ท่านรักษาท่านจึงบอกว่าไม่อาจจะรักษาให้หายได้แต่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้น้อยลงได้และท่านก็ทำได้จริงๆและในบทที่สามทั้งบทก็ได้กล่าวถึงการรักษาโรคต่างๆด้วยอานาจจิตเช่นโรคหืดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคกระเพาะ ตลอดถึงการผ่าตัดเอากระดูกออกด้วยอำนาจจิตเป็นต้นการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตนี้ข้าพเจ้าก็พอมีความเข้าใจอยู่บ้างเพราะได้เคยเรียนถามท่านในเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ละเอียดเมื่อมาอ่านเรื่องการรักษาโรคต่างๆของท่านเมฆแดงก็รู้สึกว่ามีปัญหาอีกมากมายที่ข้าพเจ้าจะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนถามท่านถึงวิธีการรักษาโรคต่างๆ ตามที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นไปได้อย่างไรซึ่งบางรายทำไมจึงหายแต่บางรายก็ไม่หายอันหนึง่งจากตัวอย่างที่เห็นกันอยู่เสม อ, อนั้นการรักษาโรคที่ได้ผลอย่างแน่นอนก็คือการรักษาทางยาหรือทางการผ่าตัดอย่างที่แพทย์แผนปัจจุบันปฏิบัติอยู่สำหรับคนที่เห็นแต่วิธีการที่ได้ผลของแพทย์แผนปัจจุบัน ก็มักจะไม่ยอมเชื่อว่าการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยเฉพาะเช่นอย่างโรคมะเร็งหรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงโรคอย่างนี้ไม่น่าจะรักษาได้ด้วยอำนาจจิตส่วนผู้ที่เคยเห็นมาบ้างว่าการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตก็ทำให้หายได้ก็มักจะงมงายหรือเชื่อในทางนี้มากเกินไปจนกระทั่งไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็จะรักษาแต่ทางอานาจจิต ไม่ยอมที่จะรักษาตามวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันความไม่พอดีของแต่ละฝ่ายมักจะมีอยู่เสมอทั้งนี้ก็เนื่องจากความไม่เข้าใจว่าการรักษาโรคทางยากับการรักษาโรคทางจิตนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เหมือนกันและต่างกันอย่างไรบ้างข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้มาจากการเรียนถามท่านในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในอันที่จะขจัดความเข้าใจผิดหรือความงมงายแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี กระเพะเจ้าจึงขอถ่ายทอดนำมาเขียนไว้ดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าก่อนอื่นจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่าโครงสร้างของร่างกายเกิดจากอำนาจจิตกล่าวคือร่างกายจะมีโครงสร้างออกมาในรูปไหนมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอนานาจจิต อำนาจที่จะขับถ่ายสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายก็ดีและอำนาจซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอของร่างกายก็ดีทั้งหมดที่ว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอำนาจจิตที่เป็นตัวการสร้างร่างกายอันนี้มาตั้งแต่แรกคือตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนั้นจะต้องศึกษาให้กว้างเพราะคาว่ารูปในที่นี้มีความหมายกว้างมาก กล่าวคือโครงสร้างของร่างกายของอวัยวะต่างๆคุณสมบัติพฤติกรรมหรือความเป็นไปต่างๆการทำงานภายในระบบของเซลล์การทำงานของอวัยวะต่างๆตลอดทั้งแสงสีกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเช่นความแข็งหรือความอ่อนของร่างกายเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่ารูปคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปหมายถึงเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมา น, นี้ทั้งหมดและอีกอย่างที่จะต้องเข้าใจอย่างนี้ก็คือวัตถุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เล็กละเอียดจนกระทั่งตา ม, มองไม่เห็นก็สามารถที่จะสะท้อนแสงออกมาให้เห็นได้ทั้งสิน้นและแสงต่างๆที่สะท้อนออกมาย่อมมีช่วงคลื่นต่างกันแสงที่เรามองเห็นก็คือแสงที่มีความถี่ของช่วงคลื่นที่ประสาทตาของคนทั่วไปสามารถที่จะรับสัมผัสได้ คลื่นแสงที่ประสาทตาของคนธรรมดาไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือรับสัมผัสได้นั้นยังมีอีกมากมายแต่คลื่นที่ว่านี้โอปะปะติกะหรือคนที่มีสมาธิขั้นสูงสามารถที่จะมองเห็นได้และโดยธรรมดาคลื่นแสงต่างๆก็ออกมาจากร่างกายอยู่เสมอเสมอซึ่งคลื่นแสงที่ออกมานี้ก็มีอยู่หลายอย่างที่ตามนุษย์ธรรมดามองไม่เห็น และการที่ท่านรู้ว่าใครเป็นโรคอะไรเป็นโรคอยู่ที่ไหนก็ได้อาศัยแสงที่สะท้อนออกมาจากอวัยวะส่วนนั้นๆกล่าวคือคนที่มีร่างกายเป็นปกติแสงที่ออกมาจากอวัยวะต่ า, างๆนั้นจะมีลักษณะเหมือน ก, นกันกับคนที่เป็นปกติโดยทั่วไปแต่ถ้าส่วนไหนเป็นโรคแสงที่ออกมาจากส่วนนั้นก็จะผิดปกติไปจากเดิมด้วยเหตุนี้ ท่านจึงรู้ว่าอาวัยวะส่วนนี้เป็นโรคแต่การที่จะรู้ต่อไปอีกว่าเป็นโรคอะไรจะรักษาอย่างไรอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญคือต้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาก่อนจึงจะรู้แน่และทำการรักษาได้ที่กล่าวว่าวัตถุทุกอย่างย่อมมีแสงออกจากตัวนั้นทั้งนี้ก็เพราะโครงสร้างของวัตถุทุกอย่างเกิดจากวิญญาณ และคำว่าวัตถุในที่นี้รวมทั้งวัตถุที่ไร้ชีวิตด้วยหรือพูดอีกในยะหนึ่งวัตถุทุกอย่างย่อมมีเคลื่อนออกมาจากตัวของมันทั้งนี้ก็เพราะอนุของศาสสารต่างๆย่อมมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอและคลื่นแห่งความสั่นสะเทือนที่ออกมาจากวัตถุนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับแสงทั้งนี้ก็เพราะคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนั้น หมายถึงเป็นปัจจัยให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นปัจจัยให้เกิดความร้อนเป็นปัจจัยให้เกิดแสงด้วยโปรดทำความเข้าใจให้ดีถึงคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปซึ่งคำว่ารูปในที่นี้มีความหมายอย่างไรบ้างได้อธิบายมาแล้วและการที่กล่าวว่าวัตถุทุกอย่างย่อมมีแสงหรือมีคลื่นแห่งความสันสะเทือนออกมานี้ สำหรับคนธรรมดาที่สมาธิไม่สูงไม่ประนีจริงๆไม่มีทางที่จะรับสัมผัสได้หรือมองเห็นได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นในตัวคนเราทุกคนแม้จะอยู่ในที่มืดย่างสนิทก็มีแสงออกจากตัวแต่คนทั่วไปจะมองไม่เห็นเลยแต่สำหรับคนที่นั่งสมาธิอยู่ในที่มืดเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิก็จะเริ่มเห็นแสงที่ปรากฏอยู่ในใจของตัว ซึ่งถ้าหากจิตเป็นสมาธิสูงขึ้นเพียงไรก็จะเห็นแสงสว่างมากขึ้นเพียงนั้นและในเวลาเดียวกันคนที่มีสมาธิดีก็จะมองเห็นแสงที่ออกมาจากตัวคนนี้ด้วยทั้งที่อยู่ในที่มืดจากข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะเห็นได้แล้วว่าทุกคนมีแสงออกมาจากตัวส่วนการที่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นมันเกี่ยวกับกาลังสมาธิของคนคนนั้น คือถ้าหากจิตอยู่ในภาวะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งไม่สงบ ก, ก็ไม่อาจที่จะมองเห็นแสงที่ออกมาจากตัวคนส่วนโอปปะติกะหรือผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงจะเห็นแสงที่ว่านี้ได้โดยไม่ยากและจากการเห็นแสงนี้เองก็จะทำให้พวกโอปปาติกะหรือคนที่มีสมาธิดีรู้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนมีบุญบา ร, รมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร อย่าลืมว่าแสงออกมาจากตัวคนได้ก็เพราะโครงสร้างของร่างกายทุกส่วนเกิดมาจากวิญญาณทฤษฎีอันนี้ข้าพเจ้าเองก็ยอมรับว่าสำหรับคนทั่วไปแล้วไม่อาจที่จะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าหากท่านจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาก็จะพอเข้าใจได้คือทำไมคนเราเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิจึงเห็นแสงภายในใจของตนได้ ซึ่งปรากฏการที่ว่านี้จะมีเหมือนกันหมดทุกคนจะแตกต่างกันก็นแต่เพียงว่าจะเห็นแสงมากหรือแสงน้อยเท่านั้นจุดนี้สำคัญมากพยายามศึกษาให้เข้าใจจริงๆมาเหตุผู้อ่านส่วนตัวแล้วก็ได้เจอคนมากมายนะครับที่มีความสามารถในการมองเห็นสภาวะจิต เป็นกลุ่มพลังงานที่แผ่ออกมาจากจิตและตีความได้ว่าขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสามารถมองเห็นพลังงานที่แผ่ออกจากร่างกายแม้ในเวลาปกติและหลายท่านนั้นสามารถรู้ได้ว่าขณะนั้นเรารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรสามารถทายใจได้ถูกทุกอย่างทายถูกกระทั่งขณะที่สนทนาในเว็บบอร์ดนั้นขณะที่พิมพ์แต่ละคำนั้นจิตคิดถึงเรื่องอะไร เรื่องสัมผัสและความสามารถพิเศษเหล่านี้ถ้าในหมู่นักปฏิบัติจะเห็นเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้พิสดารอะไรนะครับซึ่งคนที่ปฏิบัติ ด, ด้วยกันก็จะเข้าใจกันดีส่วนในทางวิทยาศาสตร์นั้นต่างชาติก็พยายามคิดค้นกล้องที่สามารถถ่ายภาพของพลังงานเหล่านี้ที่เรียกกันว่าแสงออร่าซึ่งก็ยังเป็นข้อตกเียงกันอยู่ว่าจริงไม่จริงหรือน่าเชื่อถือเพียงใดแต่สําหรับผู้ปฏิบัติสมาธิที่ถึงจุดจริงนั้นจะสามารถมองเห็นออร่าด้วยตาเปล่าได้ และเท่าที่เคยเจอมาก็จะสามารถบอกได้ด้วยว่าคนคนนั้นมีภูมิธรรมภูมิจิตเป็นอย่างไรหรือกําลังเจ็บป่วยตรงไหนด้วยการมองพลังงานที่แผ่ออกมาเป็นเสียยูรอบตัวเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะครับแต่ชาวต่างชาติจํานวนมากก็มีความสามารถพิเศษแบบนี้เช่นกันถ้าใครที่ค้นคว้า ศ, ศึกษาในด้านนี้โดยตรงก็จะพบหลักฐานมากมายที่ทั้งคนไทยและต่างชาติต่างยืนยันตรงกันในเรื่องของพลังงานที่แผ่ออกจากร่างกายแบบนี้นะครับ แสงก็คือสัญลักษณ์ที่จะบอกให้รู้ว่าอาวัยวะเป็นปกติหรือผิดปกติหรือเป็นโรคอะไรและในเมื่อคนเราเป็นโรคต่างๆได้หลายอย่างแสงที่ออกมาจากโรคนั้นๆก็ย่อมจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิสูงและมีความชำนาญเคยมีประสบการณ์มามากเกี่ยวกับการดูแสงจากการเห็นแสงนั่นเองเขาก็จะบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นโรคอะไรเป็นที่ไหน การรักษาโรคด้วยการใช้แสงที่ออกมาจากโอปปาติกะหรือออกมาจากคนที่มีอำนาจจิตสูงนั้นขอให้พยายามทำความเข้าใจให้ดีว่าวิธีการรักษาแบบนี้ไม่มีเรื่องยุ่งยากเพียงแต่ใช้ความตั้งใจเพื่อที่จะให้โรคหายซึ่งถ้าหากอำนาจจิตของผู้ที่รักษามีกำลังพอที่จะปเปลี่ยนหรือไปป ร, ปรับปรุงวิ ญ, ญญาณที่มีอยู่ในแอวัยวะนั้นๆให้มีความเป็นปกติขึ้นมาได้ โครงสร้างของอวัยวะซึ่งหมายถึงส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นอวัยวะนั้นๆก็จะเปลี่ยนตามแล้วโรคก็จะหายถ้าเปลี่ยนวิญญาณในเซลล์นั้นๆไม่ได้โครงสร้างของเซลล์ก็จะไม่เปลี่ยนแล้วโรคก็จะไม่หายการเปลี่ยนวิญญาณหรือพูดอีกในยะหนึ่งคือการฟื้น ฟ, ฟูวิญญาณที่มีอยู่ในเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงเป็นปกติขึ้นมานั้น บางรายก็ทําได้ง่ายแต่บางรายก็ทําได้ยากต้องมันคล้ายๆกับผู้รู้สอนคนบางคนเพื่อที่จะให้เปลี่ยนจิตใจบางคนก็สอนง่ายคือจิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้สอนแต่บางคนก็สอนยากมากสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจความคิดความรู้สึกของเขาไม่ยอมเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องอย่างนี้เราเข้าใจกันดีว่าในบางรายยากเพียงไร แต่ถึงกระนั้นการใช้อำนาจจิตทำการรักษาโรคเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาวะของจิตใจที่มีอยู่ในเซลล์ต่างๆนั้นโดยธรรมดาแล้วยากยิ่งกว่าการสอนโดยการใช้คำพูดหรือโดยวิธีไหนก็ตามหลายเท่าและข้อปลีกย่อยห ร, อหรือหลักวิชาที่ว่าทำไมวิญญาณซึ่งมีอยู่ในเซลล์ของคนบางคนจึงเปลี่ยนง่ายแต่ทำไมบางคนจึงเปลี่ยนยากอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความหมายซับซ้อน มีเรื่องที่จะต้องอธิบายกันมากมายแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในขั้นนี้ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าผู้ที่ทำการรักษาโดยใช้อำนาจจิตนั้นถ้าทำการเปลี่ยนสภาวะของวิญญาณที่มีอยู่ในเซลได้เขาก็จะสังเกตเห็นได้จากแสงที่มันสะท้อนออกมากล่าวคืออวัยวะเมื่อเกิดเป็นโรคหรือมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแสงที่สะท้อนออกมาจะมีลักษณะผิดปกติไม่เหมือนเดิม แต่เมื่อโรคหายซึ่งก็หมายถึงโครงสร้างของเซลล์แห่งอวัยวุวะส่วนนั้นได้เปลี่ยนกลับคืนมาเป็นปกติแล้วแสงที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นปกติเหมือนกับของคนอื่นๆในขณะที่อวัยวุวะส่วนนั้นของเขาไม่ได้เป็นโรคหรือไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องวิญญาณในเซลล์นั้น อยากให้ลองหาเวลาไปฟังเสียงงานเรื่องวิญญาณคืออะไรซึ่งอธิบายไว้ละเอียดมากถึงเรื่องวิญญาณในวัตถุวิญญาณในเซลล์วิญญาณในต้นไม้เบื้องต้นนั้นก็ต้องลืมภาพเก่าๆในความเข้าใจเรื่องวิญญาณไปก่อนและให้เข้าใจว่าในที่นี้เป็นวิญญาณคนละประเภทกับที่เราเข้าใจถ้าเรียกแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานแฝงอย่างหนึ่งแต่เป็นพลังงานแห่งนามนธรรมถ้าหากไม่เข้าใจประเด็นนี้ได้จริงหรืออคติ ปิดกันตัวเองด้วยการคิดไปก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงหรือเข้าใจว่าอาจารย์พรสอนผิดนั้นก็จะไม่มีทางเข้าใจหนังสือที่ท่านอธิบายได้เลยอยากให้ลองเปิดใจไปฟังและศึกษาเรื่องวิญญาณคืออะไรก่อนก็จะดีมากนะครับจะทําให้การเข้าใจธรรมะในแง่นี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและตรงทางลึกมากขึ้น การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องแสงที่ออกมาจากตัวคนหรือที่ออกมาจากวัตถุต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ทำได้เฉพาะคนที่มีสมาธิดีเท่านั้นและจะรู้ได้แค่ไหนคือรู้ได้มากหรือน้อยละเอียดที่ท่วนเพียงไรทั้งหมดย่อมขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิและความชำนาญจากการที่เคยมีประสบการณ์มามากอยากเข้าใจว่าโอปปาติกะหรือคนที่มีสมาธิดีจะสามารถรู้ได้ทุกคนจากการดูแสงว่า รเป็นโรคอะไรบางคนทั้งที่มีสมาธิดีและเห็นแสงที่สะท้อนออกมาจากตัวคนได้หลายอย่างแต่ถึงกระนั้นถ้าไม่ใช่คนช่างสังเกตและไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคโดยตรงแล้ว<ๆ>ก็ไม่อาจาที่จะบอกได้ว่าแสงอันนี้หมายถึงอะไรคือแสดงให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือมีความผิดปกติอย่างไรทิษฎีเกี่ยวกับเรื่องแสงดังที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้ารู้ดีว่าคนทั่วไปจะไม่ยอมรับเพราะเขามองไม่เห็นและถึงแม้จะคิดอย่างไรก็ไม่อาจาที่จะเข้าใจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากจริงๆแม้แต่ข้าพเจ้าเองกว่าจะฟังท่านอธิบายรู้เรื่องจนกระทั่งเขียนออกมาได้เช่นนี้ก็ต้องสักกันแล้วสักกันอีกไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนและตลอดเวลาต้องใช้สมาธิพิจารณาถึงข้อความที่ท่านบอกซึ่งถ้ามิทำเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยเอันหนึ่งสำหรับบุคคลที่มีสมาธิสูงมากและมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคด้วยแสงซึ่งถ้าความชำนาญทางนี้มีมากและกําลังสมาธิก็สูงมากสำหรับบุคคลประเภทนี้เป็นอันหวังได้ทีเดียวว่าจะสามารถรักษาโรคได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้ยา หรือถ้าหากจะใช้ก็ได้แต่ก็เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเพราะว่าหลักใหญ่ของการรักษาโรคนั้นอยู่ที่ถ้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือฟื้นฟูสภาพของวิญญาณในเซลล์ต่างๆให้เป็นปกติได้โรคก็หายแต่ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องนี้ยากมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใกล้ที่จะขอเตือนผู้ที่สนใจในอันที่จะรักษาโรคด้วยอานาจจิตว่า ไม่ควรจะงมงายอยู่กับเรื่องเหล่านี้ควรจะใช้วิธีรักษาอย่างของแพทย์แผนปัจจุบันจะได้ผลดีกว่าถึงแม้มันจะไม่หายอย่างรวดเร็วแต่จากสถิติหรือจากผลงานที่แพทย์ได้ทำไว้นั้นก็น่าจะทำให้เราไว้ใจได้ดีกว่าส่วนวิธีการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ก็จริงแต่คนที่จะรักษาโรคด้วยอำนาจจิตได้ผลนั้นก็มีน้อยมาก ท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่จะสามารถรักษาโรคเดิมหอำนาจิตได้ผลนั้นจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนมีเมตตาครุณาต่อคนอื่นอย่างแท้จริงความคิดหลอกลวงจะมีไม่ได้เป็นอันขาดเพราะถ้ามีมันก็หมายถึงความไม่สมบูรณ์คือแปลว่าคนที่มีเจตนาหลอกลวงคนอื่นหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเพราะเห็นแก่เงินนั้น เขาไม่มีทางที่จะมีอำนาจจิตสูงถึงขั้นที่จะรักษาโรคได้จริงและอีกประการหนึ่งถ้าเขาเป็นคนเซื่อสัตว์จริงๆแล้วเขาก็จะบอกได้ว่าในขณะที่ตัวเองเข้าสมาธินั้นเขาจะสามารถบังคับแสงให้ออกมาจากใจของเขาได้ตามความต้องการคือจะให้แสงสีไหนออกมาเขาจะทําได้ทันทีซึ่งแสงที่ว่านี้ จะเห็นได้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิและแสงที่ว่านี้จะให้พุ่งไปทางไหนบังคับได้และก็มองเห็นได้ด้วยว่าแสงนี้พุ่งออกไปแล้วจริงๆและจากแสงที่เขาบังคับให้ออกมาได้นี้จะไปช่วยทำให้เห็นแสงที่สะท้อนออกมาจากตัวคนป่วยได้ชัดและในที่สุดเขาก็จะรู้ในขณะที่เขาเข้าสมาธิทำการรักษานั่นเองว่าคนนี้เป็นโรคอะไร เป็นที่ตรงไหนและการรักษาของตนเองจะได้ผลจริงหรือไม่จากการสังเกตดูที่แสงนั่นเองก็จะทำให้เขารู้ได้ทุกอย่างแต่บางคนแสงที่ออกมาจากตัวเองนั้นอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหรือแสงที่ออกมาจากคนป่วยก็เห็นไม่ชัดแต่ถึงกระนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกในธํานองกายสัมผัสกล่าวคือ จะรู้สึกได้ที่ใจว่ามีคลื่นมากระทบกับความรู้สึกของตัวและจากคลื่นซึ่งมีลักษณะต่างๆนี่เองซึ่งในเมื่อเขามีความชำนาญก็จะแปลความหมายได้ถูกว่าความสั่นสะเทือนซึ่งรู้สึกได้ที่ใจนั้นถ้ามีลักษณะอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรถ้ามีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรผู้ที่ทำการรักษาโรคด้วยอานาจจิต ถ้าหากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแสงหรือความสันสะเทือนดังที่กล่าวมานี้แล้วย่อมหมายถึงว่าผู้นั้นมีกำลังสมาธิไม่พอที่จะทำการรักษาโรคเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อคนอื่นก็ควรจะได้รู้หลักอันนี้เข้าไว้กล่าวคือถ้าสมาธิของตัวเองยังไม่ถึงขั้นดังที่กล่าวมานี้แล้ว ก็ไม่ควรจะทำการรักษาใครเป็นอันขาดแม้ในเรื่องการทำน้ำมนต์ซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็อยู่ในหลักอันเดียวกันกันกบที่กล่าวมานี้คนไหนเวลาเข้าสมาธิไปแล้วแทร่รู้สึกเฉยเฉยรับความสั่นสะเทือนไม่ได้หรือไม่เห็นแสงอะไรอันจะเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ก็แปลว่าตนเองไม่อยู่ในฐานะ ที่จะรักษาโรคด้วยอํานาจจิตได้อนหนึ่งโดยปกติสําหรับคนที่มีสมาธิดีย่อมจะมีตัวเป็นสื่อคือหมายความว่าในขณะที่ตัวเองกําลังเข้าสมาธิอยู่นั้นสามารถที่จะได้รับพลังจิตจากโอปปาติกะได้และสําหรับบางคนที่มีตัวเป็นสื่ออย่างมาก ซึ่งบางทีสมาธิก็อาจจะไม่สูงแต่เนื่องจากวิบากของกรรมเก่าทําให้ตัวเองเกิดมามีตัวเป็นสื่อพร้อมที่จะรับพลังจิตจากโอปปาติกะได้บุคคลประเภทนี้ก็อาจจะทําการรักษาโรคได้เป็นคนทรงได้เป็นนักพยากรณ์ได้ซึ่งตัวอย่างเช่นนี้ก็มักจะมีอยู่ทั่วๆไปขอให้สังเกตว่าบุคคลประเภทที่ตัวเป็นสื่อแต่สมาธิไม่ค่อยสูง เวลาทำการรักษาโรคก็ดีหรือเวลาเป็นคนทรงก็ดีเวลาที่จะพยากรอะไรก็ดีจะมีความรู้สึกตัวคล้ายๆกับคนที่กำลังตื่นซึ่งคนที่กำลังมองดูอยู่นั้นก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เข้าสมาธิเขาไม่ได้หลับตาบางทีก็กำลังคุยกับคนนั้นคนนี้ซะด้วยซ้ำไปแต่แล้วก็สามารถพยากรหรือทำการรักษาโรคได้ แต่ก็ควรจะสังเกตไว้ด้วยว่าบุคคลประเภทนี้ยอมจะมีความไม่สมบูรณ์อยู่มากทางที่จะผิดพลาดก็มีอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะไว้ใจบุคคลประเภทที่มีตัวเป็นสื่อดังที่กล่าวมานี้ให้มากนักบุคคลที่จะได้รับพลังจิตหรือรับความคิดมาจากโอปปาติกะได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัว ถึงจะไว้ใจได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องคอยระวังพวกที่มีความกดดันทางอารมณ์อย่างสูงทั้งที่เขาไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาจะหลอกลวงผู้อื่นแต่คําพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆหรือคำพูดต่างๆหรือการกระทําต่างๆเป็นต้นว่า ก, การเสกรหรือการเป่าเพื่อทําการรักษาโรคนั้นออกมาจากจิตใต้สํานึกของตัวเองไม่ได้ออกมาจากอํานาจของโอปปาติกะ และเพราะเหตุที่โดยธรรมดาจิตใต้สานึกของคนเรามีความสามารถสูงเพราะเป็นจิต ท, ที่สามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการพยากรณ์หรือการรักษาโรคก็อาจจะมีผลศักดิ์สิทธิ์บ้างในบางครั้งและในบางกรณีก็อาจจะแสดงปาฏิหาริย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นนั่งบนตะปูได้เดินลุยไฟได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นทางที่จะผิดพลาด ก็ยังมีอยู่เสมอนั่นเองขอให้สังเกตว่าพวกที่มีอาชีพในทางนี้และเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนไปหากันอย่างมากมายนั้นจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งจะพูดย้ำอยู่แต่เรื่องคํำพยากรที่ถูกต้องหรือการรักษาที่ได้ผลคนกลุ่มนี้มักจะพูดกันแต่ในจุดนี้ส่วนนิราที่รักษาไม่ได้ผลคํำพยากรผิดซึ่งมีเปอร์เซ็นต์อยู่มากมายเขาจะไม่เอ่ยถึงเลย พวกนี้จะทํางานโดยไม่ทําสถิติเพราะเขาเองก็รู้ว่ามันทําไม่ได้ถ้าขืนทําคนก็จะเสื่อมศรัทธาเพราะในบรรดาบุคคลที่มาให้รักษาหรือมาให้ทํานายนั้นถ้าบันทึกไว้ทุกๆ ก, กรายแล้วก็จะปรากฏว่ารายที่ไม่ได้ผลหรือคําพยากรณ์ที่ไม่ถูกจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าอันที่จริงการรักษาโรคทางยาหรือทางผ่าตัด หรือทางไหนก็ตามตามวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าย่อมมีหลักตรงกับการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตกล่าวคือพยายามที่จะให้โครงสร้างของอวัยวะอยู่ในสภาพปกติเช่นกนที่เป็นอาหิวาซึ่งเนื่องมาจากเชื้ออหิวาเข้าไปสู่ร่างกายถ้าไม่ทำการฆ่าหรือทำลายเชื้ออหิวาให้หมดไปจากร่างกายร่างกายก็จะเป็นปกติไม่ได้ ในเมื่อเรารู้แน่นอนว่าคนเป็นอหิวาก็เพราะมีเชื้ออหิวาเข้าไปและทำอย่างไรจึงจะกาจัดเชื้ออันนี้ได้หรือทำให้ร่างกายมีอำนาจต้านทานต่อเชื้อชนิดนี้ได้การรักษาก็ย่อมจะได้ผลและในทำนองเดียวกันในเมื่อความจริงขั้นมูลฐานมีอยู่ว่าโครงสร้างของเซลล์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นอวัยวะต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับวิญญาณ ซึ่งมีอยู่ในเซลล์นั้นๆมีความผิดปกติไปด้วยการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตนั้นหมายถึงการแก้ที่ต้นเหตุคือไปแก้ที่วิญญาณซึ่งคนที่มีอำนาจ จ, จิตสูงจริงๆยอมจะทำได้เมื่อแก้ไขสภาพของวิญญาณให้กลับเป็นปกติขึ้นมาได้ก็ย่อมหมายถึงโครงสร้างของอวัยวะนั้นๆกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติเพราะฉะนั้นโรคจึงได้หาย อีกอย่างหนึ่งจะต้องเข้าใจให้ดีว่าการเปลี่ยนสภาวะทางวิญญาณก็อาจจะทำได้โดยอาศัยวิธีการทางวัตถุซึ่งโดยปกติเราก็ได้ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำกล่าวคือการรับประทานอาหารการดื่มน้ำการหายใจตลอดถึงการออกกำลังกายการรับประทานยาทั้งหมดที่ว่านี้ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางวิญญาณทั้งสิ้น เพราะทฤษฎีที่สมบูรณ์นั้นมีอยู่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปแล้วรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแต่คนสมัยทุกวันนี้มีความรู้ดีแต่ในด้านที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมีความชำนาญแต่ในด้านที่จะแก้ไขวิญญาณหรือปรับปรุงวิญญาณโดยอาศัยวิธีทางวัตถุเพราะฉะนั้นการรักษาโรคตามวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันจะยังคงใช้ได้ผลดีต่อไปอีกนาน จนกว่าเมื่อใดจะมีผู้วิเศษเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์และมีจำนวนมากพอกับความจำเป็นของมนุษย์การรักษาโรคตามวิธีอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะค่อยหมดสมัยไปเองและจงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยแสงแจากเรเดียมหรือโคโบอลนั่นแหละคือยุคเริ่มต้นที่จะนาไปสู่การรักษาโรคด้วยอานาจจิตหมายความว่า ถ้าเมื่อใดนักวิทยาศาสตร์รู้ความจริงว่าแสงเรเดียมหรือแสงโคบอลหรือแสงอะไรก็ตามที่นำมาใช้ในการรักษาโรคก็ดีในการพยากรโรคก็ดีทั้งหมดที่ว่านี้ก็คือแสงที่ออกมาจากวิญญาณในวัตถุนั้นๆถ้าหากเมื่อใดนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปรู้เรื่องนี้และยอมรับทฤษฎีเรื่องวิญญาในวัตถุกันอย่างกว้างขวางแล้ววิธีการรักษาโรคจะต้องเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ และสิ่งหนึ่งที่จะนำออกมาเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางมากก็คือการส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพทางจิตสมบูรณ์เพราะอันนี้หละคือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้การป้องกันโรคและการรักษาโรคได้ผลดีอันหนึง่งเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบอย่างชัดเจนว่าการรักษาโรคทางยากับการรักษาโรคด้วยอานาจจิตนั้นเมื่อพูดถึงหลักการในขั้นมูลฐานแล้ว ก็คือการรักษาแบบเดียวกันเพราะมีหลักดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปและรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งคําอธิบายทฤษฎีอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนลงในนิจยาสารวิญญาณฉบับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2511การเขียนในครั้งนั้นทําได้ก็โดยได้รับคําแนะนํามาจากโอปปาติกะองค์เดียวกันกับท่านที่อธิบายเรื่องนี้ฉะนั้น เพื่อที่จะให้เรื่องนี้มีความสมบูรณ์และไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนใหม่ข้าพเจ้าจึงได้นำมาลงในหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้หมายเหตุผ<ม>ู้อ่านขอเสริมจากประสบการณ์ตรงสักนิดนะครับส่วนตัวแล้วได้เคยไปเรียนเรื่องพลังจักรวาลและก็ฝึกจริงจังอยู่พักหนึ่งได้สัมผัสกับพลังทางจิตที่ทาให้รู้สึกได้จริงว่าพลังจิตเหล่านี้มีจริง และใช้รักษาโรคได้จริงในครั้งที่ไปเรียนนั้นจะต้องมีการเปิดจักระโดยอาจารย์ผู้ชำนาญคือจะรู้สึกเหมือนมีคลื่นความร้อนที่ร้อนพอสมควรจากมือของอาจารย์ที่จี้ไปที่จุดจักระนั้นตอนนั้นคล้ายกับมีทูบมาจี้เลยนะครับนั่นเป็นครั้งแรกที่เชื่อแน่ว่าพลังจิตมีจริงและคลื่นพลังแบบนี้ที่ใช้ในการรักษาโรคสมัยก่อนที่ไปเรียนนั้นก็ไปเรียนด้วยความอยากรู้อยากลอง ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับพอกลับมาฝึกเองสักพักหนึ่งที่ต้องมีการนั่งสมาธิและมีการรวบรวมพลังในแบบที่ท่านสอ น, สอนก็ได้สัมผัสกับพลังที่ออกจากฝ่ามือชัดเจนในช่วงนั้นเป็นโรคกระเพาะอาหารก็เลยลองรักษาตัวเองโดยการกำหนดปล่อยพลังลงที่ท้องตั้งจากที่ได้ทดลองแล้วขณะหลับไปสักพักก็รู้สึกได้ชัดว่ามีพลังงานบางอย่างไหลเป็นวงกลมอยู่ภายในท้อง ความที่ได้เจอกับตัวเองก็เลยทําให้เชื่อเรื่องพลังจิตว่ามีจริงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเมื่อรู้ว่ามีจริงแล้วก็แล้วกันและพอรู้พอเห็นพอเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงก็มีผลให้การศึกษาธรรมความศรัทธาในกฎแห่งกรรมเกิดในใจแน่นแฟนมากขึ้นแต่ที่สุดก็ไม่ได้ติดกับเรื่องพวกนี้และก็หยุดฝึกในแนวนี้ไปหันมาสนใจเรื่องการเจริญสติรู้เห็นแค่ว่าพลังจิตมีจริงภพชาติมีจริง แต่เมื่อรู้แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับว่าไม่ได้ทําให้หมดทุกข์แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อปูไปสู่ความไม่ประมาณในกุศลและมุ่งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรงเป็นหลักเท่านั้นที่ต้องขอเสริมเรื่องนี้ไว้ก็เพียงเพื่อจะเป็นประสบการณ์ตรงให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงและมีคนในยุคปัจจุบันได้สัมผัสมาจริงขอเป็นพยานอีกเสียงหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องที่อาจารย์พรท่านเขียนไว้นะครับ ก็อยากฝากกับคนอีกจํานวนมากว่าอะไรที่เราไม่เชื่อเราก็ควรจะศึกษาให้จริงจังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงแต่ถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ทําให้จริงจังซะก่อนเราจะรีบตัดสินว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงแบบนี้เป็นมิจฉาทิฐินะครับสิ่งใดที่เราไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจและเรายังไม่ศึกษาปฏิบัติให้มากพอนั้นบัณฑิตหรือนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง ท่านจะไม่ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจริงแต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นตัวเขาเองยังพิสูจน์ไม่ได้